คนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำมันไม่ดีเป้าหมายในการทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าวิธีการมันไม่ดีนะท่านมุ่งมั่นบวชมา2 0สพรรษาเข้าไปกรรมฐานอยู่สามปีย่อมเป็นคนดีนแน่แน่คนมุ่งมั่นนะคนต่อสู้แต่บังเอิญว่าวิธีการที่ทำมันไม่ถูกต้องนะเหมือนสปริงเน่ยเราไปนั่งกดมันไว้ ช่วงเราใช้พลังชาร์ตกนไว้มันก็อยู่นะหนีไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเนี่ยสิ่งภายนอกเนี่กระทบเราไม่ได้เราไปติดสุกตรงนั้นสามปีไม่ต้องกินไม่ต้องนอนก็ไม่เป็นไรเพราะใช้พลังงานน้อยมากนะแต่พอออกมาปึ๊บเนี่ยนะพอกระทบวิบากกรรมเก่ามองเห็นปิ้งทีเดียวนี่เด้งพางเลยนะที่สังคมไทยไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องแบบนี้ สามสปีไปกดมันไว้แล้วสุดท้ายนะ่ะวิบากกันไม่ต้องพูดว่าเป็นวิบากกรรมใครๆก็รู้เด็กๆก็รู้เราจึงมาบำเพ็ญเพียรไงเพื่อล้างวิบากนั้นซะแต่ น, นี่ไม่ได้เข้าไปล้างว่าจะไปฝึกสติอยู่อย่างนั้นอันนี้คือเป็นเคสหนึ่งทําให้ดูนะทีนี้วิธีทําลายสปริงไม่ใช่ไปกดมันไว้คือยือดมันออกซะทำลายมันมันอาจจะดีดนิ้วเราบ้างต้องขันติ นะเมื่อเราทำลายสปินได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องดึงไม่ต้องกดเลยมันสงบตลอดการดับทุกดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมนุษยชาติเราเนี่ยพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ยิ่งวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะจำแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยกก็ยิ่งสับสนนะจอกลึกไปในเรื่องเดียวนะ เราแยกแยกแยกแยกแย ก, แยกนะมันไม่มีพลังส่วนถ้าธรรมะแล้วเนี่ยจําแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมรักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งจ่ายก็ยิ่งว่างไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นกับพ่อครูเมื่อ28ปีก่อนหลังจากอาการระเบิดปุ๊บพ่อครูไม่รู้เรื่องศาสนาเลยจิตเดิมมันก็ตั้งโจทย์ให้จิตปัจจุบันนะมันบอกว่าธรรมะให้เป็นหนึ่งเราไม่รู้ว่ามรักคืออะไรนะมันบอกว่ามรักมีองค์แปดนะ เอ๊ะทำมัดให้มันเป็นหนึ่งทำแปดให้เป็นหนึ่งทำอย่างไรนะวินาทีนั้นนจิตมันก็ว่าดนมเค้กก้อนหนึ่งให้พ่อกูเห็นมันก็แบ่งออกเป็นแปดชิ้นนะแล้วก็แจกไปแจกแจกแจกแจกแจกแจกหมดแล้วเนี่ยความว่างเป็นหนึ่งล่ะนี่ทำมัดให้เป็นหนึ่งอันนี้เรียกว่ามัดสมัครทีเรารู้ทำโดยไม่ต้องไปอ่านหนังสือเมื่อมันเห็นทำแล้วเนี่ยมันเข้าใจเองนะ เพราะครูจึงรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาฝึกจิตโดยใช้อุบายอย่างนี้อุบายอย่างนี้เพื่ออะไรมันก็เป็นแค่อุบายในทางโลกเรียกว่าเป็นเทคนิคแต่ทําไปทํามาเราไปหลงเทคนิคเราเอาเทคนิคนั้นมาตั้งชื่อเป็นแบรนด์เนมมาตั้งการค่ายกวนสึบแย่งชิงมลชนกันกลายเป็นว่าเอาเทคนิคเอาวิธีการมาทะเลาะกันว่าของฉันดีของเธอไม่ดีนี่คือความคิดแบบมองอะไรแบบแยกส่วน นะวิทาศาสตร์การแพทย์จะแยกสวย่วนเธอเรียนเรื่องหูอย่างเดียวเธอเรียนจมูกอย่างเดียวเรียนเรื่องตาอย่างเดียวเรียนเรื่องตับอย่างเดียวอะไรายหลายเนี่ยสเปเชียลหลายคือเก่งเรื่องเดียวพราะรักษาตรงนี้ก็กระทบตรงนี้เห็นไหมเพราะร่างกายเรามันมันเชื่อมสัมพันธ์กันหมดเห็นไหมละ่ะเขาแค่ดาวแค่ทะเลาะได้ยินที่หูทําไมเราเจ็บใจล่ะเห็นไหมเนี่ยองค์วิชาเนี่ย มันมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยไปหลงติดว่าต้องเป็นแบบนั้นมันเป็นโทษมาแล้วก็เอาความนึกคิดแบบนั้นมาฝึกจิต ด, ด้วยตอนนี้ไปกันใหญ่ละนะมีสองเคลเมื่อกี้นี่อาหารหันจีผมนะรานนั้นเ็เจริญมรรคจิตนะก็คือเอาสติสมาธิไม่ใช้เลยมีหน้าที่เดินก็เดินแต่อาจารย์อาโมาจะฝึกสมาธิสติตรงนั้นนะเนี่ยเคลนี้นะ และเคสนี้นี่อันนี้เอาจริงเลยนะบวชมา20ปีเลยมุ่งมั่นมากแล้วก็พอถึง20ปีปุ๊บเนี่ยก็ทุกคนต้องเข้ากรรมาฐาน3ปีนะการที่อยู่3ปีไม่ต้องกินไม่ต้องนอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องทำง่ายก็ต้องใช้พลังสมาธินี่กดให้ไปอยู่ในฌานนะมันได้พักผ่อนข้างนอกนี่กระทบกระเทือนเราไม่ได้เลยนะมันเป็นความสุขเพราะว่ามันไม่ทุกเวลานั้นแต่พอออกมาปุ๊บเนี่ย ปิงเลยเห็นไหมแล้วก็ไปเอาล่ะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องผิ่นะเจ้าชายจิเทษะก็แต่งงานนะบังเอิญบาลามีเก่าของพระองค์เนี่ยผลขึ้นมาพราะองค์ก็หวางได้ก็ออกไปสแสวงหาโมกกระทนะอันนี้อันนี้กลับกันอันนี้มาบวชก่อนปุ๊บก็สืออว่าไปแต่งงานนะแล้วแต่งแล้วไปใช้นีิกรรมตรงนั้นแล้วเนี่ยบังเอิญครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนจะสิ้นชีวิตเนี่ยก็เขียนจดหมายมาฝากว่า ครูาจารยรู้ว่ากุญญาณยังไม่จบแต่สายนี้เขารู้ว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนนะเขายังไม่จบเขามีปัญหาหนึ่งรอถามคนนี้ไปพบกันที่สัมซารานะนะไปพบกันนะเขาจะถามว่าการที่เราเนี่ยสามารถปลดปล่อยคนเป็นพันเนี่ยนะให้เขาพนทุกข์กับการที่จะไปเสียกคนหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่งอันไหนมันสําคัญกว่ากันอาจารย์เตือนสติครั้งสุดท้ายก็ตึก นะเห็นไหมขณะเป็นนักบวชนะบวชมามันเพ็ยนเพียนมายี่สิบสามปีออกไปแต่งงานก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปคบชู้สู่สาวกับคนงานนี่สแสดงว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นแค่ติดรูปแบบนะบวชแค่รูปแบบเฉยแต่ข้างในเราไม่ได้สาสางอะไรเลยอันนี้ชี้ให้เห็นนะที่บอกว่าชีวิตเราไม่ใช่ทำเล่นนะ ขยันปฏิบัติปฏิบัตนะิแล้วก็สุดท้ายก็ไปไวรอดเพราะว่าไปหลงวิธีการที่มันไม่ถูกต้องนะติดสุขในชาตนะิไปกดมันไว้ไงไม่ได้ขัดเกาจิตให้ผอมใสเลยไม่ได้ไปเอามันออกไม่ไปสะสารคดีความหรือเอาเชื้อเวลัที่ทําให้เราไม่สงบนั่นออกมาเห็นไหมนะก็อันนี้อันนี้นี่เป็นตัวอย่างชี้ให้เห็นว่าแล้วก็ปริศนาทำสุดท้ายก็บอกว่า น้ำมันเหลือหยดเดียวเนี่ยเราจะป้องกันยังไงไม่ให้มันเถื่อนแห้งนะพอพลิกมาข้างหลังบอกว่าก็เอามันทิ้งลงไปในทะเลเป็นทางเดียวที่มันจะมันจะไม่แห้งนะก็เหมือนดนัง่ะถ้าเราดวงตาเห็นธรรมเราเข้าถึงบรรลุธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเราคืนสู่ธรรมชาติเดิมของเราคือความยิ่งใหญ่ที่สุด ในโลกในจักรวาล น, นี้คือความว่างนะคือความว่างนะมันใหญ่จนมันล้อมรวงไม่ได้มันใหญ่แค่ไหนไม่ใช่จักรวาลเดียวนะหลายๆจักรวาลเนี่ยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่บนความว่างจิตมันคืนสู่ตรงนั้นแล้วนะนั่นแหละคือความยิ่งใหญ่และสิ่งที่มีพลังแรงที่สุดคืออะไรนะคือความนิ่ง คือความนิ่งความนิ่งนี่แรงที่สุดสพราว่าเราหมุนลูกค่างเนหมุนปุ๊บมันก็หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมุนเอียงไปเอียงมาเอียงไปงมาเมื่อมันหมุนเต็มที่แล้วแรงเหลี่ยมตอนนั้นน่ะมันชนะสนามแม่เหล็กแล้วก็แรงดึงดูดของความคิดเนี่ยมันก็นิ่งตอนที่มันนิ่งไม่ใช่มันไม่หมุนนะมันหมุนแรงที่สุดเลยจิตไปอยู่ในแกนกลางนั้นเหมือนพายุทอร์นาโดมาเนี่ยนะจุดที่ปลอดภัยที่สุดคือไปอยู่ในกลางมันเพอะตรงนั้นล่ะ มันนิ่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นเอกข้าตาลมเป็นอารมณ์เดียวมันสงบนิ่งอยู่กับการหมุนวนตรงนั้นอะ่ะมันอิสระจากแรงดึงดูดสุดท้ายเนี่ยให้ลูกขานี้ก็หลุดออกไปไว้นิ่งรุดจิตเราก็เหมือนกันนะจิตเราถ้าฝึกให้มันนี่เราสร้างแรงเบียี่ยงเวียงเบียงมันเต็มที่แล้วเนี่ยมันนิ่งนั่นแหละคือเอกค้าตาลมนะมันเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นั้นพร้อมที่จะเลิญวิปัสนา สัม ม, ท า, มาทั์กรมมฐานนี่สูงสุดคือฌานสี่ฌานสี่ก็คือเอกคตาลมเป็นอารมณ์สงบนิ่มเป็นหนึ่งเดียวแค่นั้นเป็นอุเบกขาพรอพที่จะเจริญวิปัสสนานะทุกท่านต้องเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องนั่งหมุนนั่งเบี่ยงทำไมพลังงานทุกอย่างต้องหมุนโลกหมุนรอบตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยมันสู้พลังจักรวาลพลังดวงอาทิตย์ไม่ได้มันก็เป็น เครือข่ายหมุนรอบจกักรวาลจิตเราหมุนอยู่แล้วนะแต่ว่ามันยังอยู่ภายใต้อานาตของดวงอาทิศมันก็หมุนรอบจกักรวาลเหมือนจิตเราเนี่ยทุกองจิตมีพลังมันหมุนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นธาตุของอายตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่เราเป็นธาตุของกลา ม, มาคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรามองอะไรยังมีสวยๆงามอยู่ฟังอะไรยังมีเพาะ หรือไม่เพาะดูโดมอะไรก็ยังมีหอมมีเหม็นอยู่นะลิปอัตอะไรยังมีอร่อยก็ไม่อร่อยอยู่นะเรายังเป็นจิตเราก็ยังเป็นธาตุของอยายตนะเหมือนโลกอยู่ในเครือข่ายของธาตุทิดทีนี้เราก็สร้างแรงเหวี่ยงให้จิตให้ให้จิตเราเนี่ยคือให้มันหมุนแรงขึ้นเมื่อมันหลุดพ้นออกจากแรงดึงดูดของจักรวาลเนี่ยจิตก็เป็นอิสระ ตอนนี้ถามว่าพ่อคูหมุนได้ไหมพ่อคูหมุนได้แก้งหมุนแก้งหมุนนะนะนะจิตพวกคูมันหมุนไม่ได้บางคนบอกบางทีแก้วจะช่วยพ่อคูอะไรบางทีพ่อคูอิจฉาพวกเรานะเวลาเราปวดเมื่อยอะไรเราก็จิตหมุนปุ๊บเดี๋ยวมันกา ร, รักษาเลย <c oughs> จิตพวกคูมันไม่หมุนมันดูดออกมาจากแรงดึงดูดของอยายตนะยกตัวอย่างว่าฟ้าผ่าลงมา เราตกใจด้วยตกสมองเวลาฟ้าผ่าลงมาเนี่ยเวลาตกใจหรือตกสมองตกใจมีหมอคนหนึ่งเขาบอกว่าอ่านหนังสือแล้วเขาบอกว่าจิตอยู่ที่สมองพวกะว่าคุณหมอเวลาฟ้าผ่าตกใจด้วยตกสมองตกสมองอย่างนี้แล้วมันตกใจบางทีตกใจจนเป็นลมเลยนะเพราะหัวใจมันกล้ามือหัวใจมันเกร็งน่ยมันก็หายใจไม่ทันก็เป็นลมเป็นแรงเลยมันตกใจแล้วตอนนี้จิตเราเป็นธาตุของใจจิตใจเราเข้าใจว่าจิตใจเป็นเรื่องเดียวกัน คนละอย่างนะคนละอย่างจิตก็จิตใจก็ใจใจคือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งมีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วเป็นกดังเก็บอารมณ์นะส่วนจิตนั่นมันก็เอาวิญญาณของจิตนี่มโนวิญญาณเนี่เป็นตัวทำให้หัวใจเต้นมันถูกใจนี่ดึงไว้ตลอดเวลานะเหมือนหูเราเนี่ยต้องอาศัยวิญญาณหูถ้าวิญญาณหูไม่รับกระแสเนี่ยเราไม่ได้ยิตมันต้องอยู่ในกันคาว่าหูเนี่ย ประกอบด้วยใบหูภาสาหูตีหูแล้วก็วิญญาณหูนะคำว่าใจนี่ประกอบด้วยมโนวิญญาณด้วยหัวใจมันถึงเต้นนะจิตก็เสื่อมจิตวิญญาณก็ส่วนวิญญาณในสายพุทธเทรว่าเราเนี่ยก็ไปสอนแต่เรื่องวิญญาณหกวิญญาณหกคือจักษุวิญญาณวิญญาณที่ตาวิญญาณที่หูวิญญาณที่จมูกวิญญาณที่ลิ้นวิญญาณที่กายเนี่ยนะแล้วก็วิญญาณที่ใจ มหายานก็สอนวิญญาณแปดนะมีมโนวิญญาณแล้วมีมนัทวิญญาณด้วยมานัทวิญญาณอยู่จิตสำนึกแล้วก็อริยวิญญาณอยู่จิตใต้สํานึกอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะเอาเป็นว่าเรามีวิญญาณเหล่านี้เราถึงมีความรับรู้คนตายปุ๊บจิตวิญญาณออกจากร่างเห็นไหมเหมือนโรงงานเนี่ยเอาไฟฟ้าลงปุ๊บเครื่องจักรหยุดหมดใช่หไหมที่เราหายใจได้ที่เราปั๊มได้เพราะว่าเรามี มโนวิญญาณมีพลังจิตไอ้วิญญาณเหล่านี้เนี่ยเป็นกำลังของจิตจิตก็จิตวิญญาณก็วิญญาณถ้าใครถอดกายชิดได้ถึงจะรู้เรื่องนี้เรานั่งอยู่ปึ๊บมันออกมามันอยู่ตัวเองนั่งนะมีอูบาาจารย์มาจากอังกฤษอะเป็นผู้หญิงแล้วกเ็เคยไปอบรมที่หนึ่งพว ก, กคูอบรมค้อดนี้เขาไปอบรมเาบอกว่าจิตมันจะออกจากใจได้ยังไงมันก็ตายนะแสดงว่าไม่เคยถอนกายชิด จิตมันออกไปได้แต่โมดุพิญญาณมันยังอยู่ทําให้หัวใจเต้นนะจิตเราถอดออกไปเนี่ยมันจะมองเห็นตัวเองนั่งอยู่นี่มันมีประโยชน์ระดับหนึ่งว่ามันจะรู้ว่าไอ้ที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรามันมีประโยชน์อย่างหนึ่งว่าทําให้เราจางคลายความคืบมัน่นในกายภาพนี้ได้แต่ถ้าเราหลงไปเที่ยวเที่ยวว่ามันสนุกดีไปไหนก็ได้ไปแอบดูใครอะไรก็ได้นะเดี๋ยวกลับมาเขาเอาไปเผาแล้วไม่มีร่างเข้า อย่าออกจากร่างกายนานพอออกปุ๊บจะดิเข้าไปเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะเดี๋ยวเทวดามาแย่งร่างเรานะนะเขาบอกว่าผีเข้าหรือว่าเข้าทรงนั่นแหละเดี๋ยวมันอาศัยมาล่างเราเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ในการเจริญมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานต้องอาศัยร่างกายนะแต่ถ้ามันบางทีจิตจิตปัจจุบันมันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะบางทีจิตเดิมมันก็ พามันออกจากล่างให้ไปดูเองว่าน่คุณเป็นใครมันมีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไปหลงมันเนี่ยมีโทษมหานะอันนี้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะและช่วงต่อไปเนี่ยเมื่อช่วงช้ามาแล้วก็ฝึกหลายโปรแกรมเนาะอันนึงคือ search inside yourself ก็คือค้นหาตัวเองเนี่ยนะปนะกติเราก็ลืมตามมีจะไปแสวงหาคนอื่นไปค้นค้าอย่างอื่นวิจัยเรื่องอื่น อันนี้เราถอยกลับมายืนนั่งนอนอยู่กับตัวเองเนี่ยมาดูอารมณ์ตัวเองอันนี้เรียกว่า Search Inside Yourself แล้วยิกโปรแกรมหนึ่งจิตในจิตก็คือว่า Inside o u อาเราต้องเบี่ยงเข้าไปข้างในและอารมณ์ข้างในเนี่ยมันจะแสดงสั่งขยภาพมันแสดงออกมาอันนี้คือบา ร, รมีเก่าเราแล้วบางคนถึงขั้นว่าจิตเดิมมันรู้ว่าเราลังเลสงสัยมันจะพาเราไปท่องอดีคดีตชาติเพื่อเราหายสงสัย ดัง น, นมันก็ต้องพัฒนาไปสู่บุเพนิวาสา น, านุสติญาณยานรู้ว่าด้วยการระลึกชาติไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเด็กที่ศูนย์พลานคอยอายุห้าขวบก็ทําได้นางวิสาขาเจ็ดขวบไม่ชีน้อยของรอห้าขวบทาได้แล้วเมื่อจิตเห็นจิตเนี่ยขั้นต่ําสุดคือโสดาปฏิมาขึ้นไปนะไม่มีนรกอีกแล้วสูงสุดอีกเจ็ชาติ นะทุกคนทำได้ถ้าเราตั้งใจทำนอกจากเรากล้ า, ก, ากลั ว, ล, วลังเลสงสัยอยู่เนี่ยนะที่เราเข้าไปได้ไม่ได้อยู่ที่เราพร้อมไหมเราศรัทธาตั้งมั่นไหมนะคนนี้เข้าช้าเข้าเร็วไม่ใช่เก่งหรือไม่เก่งบางทีบ่วงความความคิดความลังเลสงสัยมันดึงไว้นะแต่ถ้าเราศรัทธาตั้งมั่นเ้าเทให้กับจิตเลยเนี่ย ไม่ใช่เรื่องยากาก็เกิดเปิดประตูก็เข้าไปแล้วนะไม่ได้ยากนะกูบาอาจารย์มาจากไต้หวันหลายปีก่อนเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วพาภิกษุณีมาสี่รูปนะสายนี้เนี่ยเขาปฏิบัติแบบบ้าคลั่งเลยละ่ะนะเขาสายเซนซาเซนเนี่ยนะเขาก็ตามไปญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่เซนมันอยู่ที่ประเทศแผ่นดินใหญ่เมื่อเขาเปลี่ยนการปกครองเขาไม่เอาศาสนาพวกนี้ก็อพยพหนีไปญี่ปุ่นส่วน นะอันนี้ส่วนหนึ่งเขาอยู่ไต้หวันเขาปฏิบัติเขาก็ไม่มีครูบาอาจารย์เขาก็ตามไปญี่ปุ่นเขาไปฝึกหมุนปั้นลมไงฝึกชี่กงเขาได้ยินข่าวว่าครูเขาก็บินมาอุบลเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขามีพลังหมุนแล้วก็ถามพระครูว่าจะเข้าไปยังไงพระครูบอกอาจารย์ก็เปิดประตูเข้าไปสิที่แรกเขาไม่เข้าใจว่าจะปั้นลมอยู่ตรงนั้นแต่คุณไม่เข้าไปเองไงแล้วกําหนดที่ไหนแล้วก็อยู่ตรงนั้นไงเห็นไหมล่ะ แล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติอย่าไปควบคุมมันจิตมันรู้เองว่ามันจะทําอะไรแต่ชีวิตเราควบคุมมันตลอดจับมันมาฝึกโน่นฝึกนี่ฝึกสมาธิฝึกสติเห็นไหมแล้วก็ท่านจับมันฝึกเข้าไปอยู่ในถ้ำสามปีเลยน่ะอ่ามันอยู่ในถ้ำมันก็เข้าไปในถ้ามันก็อยู่ในถ้ำไงมันจะเป็นไหนล่ะมันก็ติดสุขในฌานอยู่ตรงนั้นเราทําอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าแรกๆเราสร้างแรงเห่ยงให้เขาก่อน ได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจเพื่อใช้อุบายเสียงเนี่ยกระทบผัด ส, สะแปลว่าอะไรถูกไหมเหมือนเราเอาฟุตบอลเนี่ยเฟี้ยนเขาไปข้างฝาเนี่ยเราเฟี้ยงแรงปึ๊บมันจะอิมแพกมาแรงเห็นไหมเราเฟี้ยงเบาก็มาเบานี่คือผัด ส, สะที่พระครูเลือกเสียงนี่เพราะว่าเสียงนี่เรากระตุ้นได้เราเล่นสติได้หรือว่าบางท่านต้องการลองนะเดี๋ยวไปเอาอยาอมเบ็ดหนึ่งอมเลยแล้วก็ไปนั่ง มาลิ้มรสอยู่ลิ้นมารู้ที่ใจเดี๋ยวมันดึงกันระหว่างลิ้นกับกลางยักกับลิ้นนี่กับใจมันก็เกิดหมุนเหมือนกันแต่มันเล่งไม่ได้นะเราเพ่งกระสินเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเขาไม่รู้ว่าบางเพ่งกระสินก็บรรู้ว่าได้แต่มันไม่ไม่ใช่บรรลุธรรเพราะเพ่งกระสินอันนั้นคือรูปนะถ้าเพ่งกระสินปุ๊บให้มารู้ที่ใจมันดึงระหว่างตากับกับกับจิตมันก็หมุนได้นะส่วนอาณาปัญสติเนี่ย เราเอาลมหายใจเนี่ยจมูกเนี่ยมันกระทบปัสสะจมูกคือกลิ่นจะไปตั้งชื่อพุโทโธอะไรก็ช่างเนี่ยเป็นชื่อนี้มาตั้งยุคหลังในพระไตรปิฎกก็ไม่มีนะมันก็คือกลิ่นหลวงปู่มั่นเราเนี่ยเป็นเจ้าลทัทธิพุโทโธนะท่านติดพุดโทโธอยู่หลายปีเนี่ยไปอ่านหนังสือเล่มเก่าๆท่านเนียแต่ทีนี้มันไม่ใช่มีประโยชน์เราก็สะสมแต้มพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยท่านว่า ท่านว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่ท่านวางพุดมันหมุนไปทั่วล่างเลยพุทโทเนี่ยลมหายใจเรียกว่าพุทโทออกเนี่ยมันไม่มีชื่อแต่เขาไปตั้งชื่อเพื่อให้มันจําง่ายทําไปทำมาก็ไปติดคําว่าพุทโทเหมือนมันขังอ่ะมันก็ได้ความสงบชัว่วคู่มันก็ไม่ไปไหนมันเป็นแค่สัมมาทากรรมฐานในพระไตรปิฎกมีคําว่าอาณาปานสติก็คือเอาลมหายใจมาเป็นฐานที่ตั้งอาณาก็คืออากาศ เอาอากาศที่เราหายใจนี่มาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติแล้วต้องพัฒนาอาณากลายเป็นปราณขึ้นมาเป็นปราณขึ้นมาเห็นไหมที่มันหมุนๆเนี่ยมันเป็นปราณแล้วนี่คือธรรมาจากเราผู้เจ้าแสดงธรรมาจากกับความสุดก็คือตัวนี้แหละนะแสดงปุ๊บอัญญากวนทะยานเนี่ยจิตหมุนขึ้นมาเลยหลุดพ้นจากความยึดมั่นถึงมั่นบรรลุพระโสดาบันนะเราเห็นธรรมด้วยธรรมาจากสู่คือจากสู่ภายในที่มันหมุน เ, เมื่อมันหมุนแล้วเนี่ยถ้าเราพอใจแค่นั้นเราก็ได้เจริญอนุสติคืออาณาปณะสติก็ได้สมาธิเบื้องต้นแต่เป้าหมายในการฝึกจิตไม่ได้อยู่แค่สมาธิเราต้องเข้าถึงกล่องปัญญาปัญญามันอยู่ในจิตในจิตมันอยู่ในธรรมในธรรมนะเหมือนรถยนต์โรสตาเครื่องติดปึ๊บเราก็เปิดแอรได้ปุยยุ่ใส่เกียร์ปุ๊บมันดาบเลยถ้าไ อ, ไอรถยนต์รุ่นที่มันสติชิปรุ่นเก่ารุ่นรุ่น ดุลเกียร์ธรรมดานะกอนจะเร่งเครื่องเราต้องเร่งเครื่องใช่ไหมเหยียบคับเร่งไปอีกเนี่ยเราต้องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจกักนะสร้างแรงเหวีย่ยงตัวนี้ให้มันมากขึ้นแล้วก็เข้าไปในจิตในจิตเข้าไปในจิตในจิตแล้วก็เสพธรรมในธรรมธรรมในธรรมคืออะไรไม่ใช่ตัวหนังสือนะไม่ใช่พัดไตปิฎกนะธรรมในธรรมนี่คือธรรมาอารมณ์อยู่ข้างในที่สะสมอยู่ในจิตใต้สํานึกเรามันเป็นวิเวทะนาในอดีต ทั้งกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละคือทำในธรรมเราก็ไปเรียนรู้กับประสบการณ์ตรงนั้นทีนี้ของเราปล่อยจิตเข้าไปในธรรมในธรรมแล้วเนี่ยไอแนวเราเนี่ยมันเริ่มจากอายตนะมันมีแรงเวี่ยงไงมันก็เวี่ยงจากข้างในออกมาข้างนอกกับกับกายภาพอีกมันก็ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นมหาสติปัฏฐานนะผู้เจ้าตัดไว้ในอาณาปัญสติสุนชัดมากพระองค์ตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ทั้งสี่คืออะไรคือกายเวทนาจิตธรรมต้องบริบูรณ์อันนี้เราบริบูรณ์ไหมอยู่ที่ขวาอยู่ที่ซ้ายอยู่ที่พุทโธอยู่ที่ฐานกายเราแยกส่วนไงแล้วที่ทีเป็นดั้งดูจิตมีคนดูกับสิ่งที่ถูกเห็นมันยังไม่บริบูรณ์เราต้องทำให้สติปฐานทั้งสี่ดีบริบูรณ์พระองค์กรตัดต่อไปว่า สติปฐานทั้งสอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทำพุทโธงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ใครรู้บ้างโพุทโธงคืออะไรถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเนี่ยอารมณ์พุทโธงซึ่งเป็นบา ร, รมีเก่าของจิตเดิมเราเนี่ยมันไม่แสดงตัวเริ่มจากสติสัมโพุทโธงสัมโพุทโธงคืออะไรเป็นสติตามธรรมชาติที่มันมีอยู่ไม่ใช่โลคิยะสติแบบภางนอกนะสติแบบภางนอกไม่อิสระ อยู่ภายใต้สมมติบรญยักาประเพณีวัฒนธรรมรู้จักอายบ้างอะไรบ้างมันเป็นโลกิยาสติเป็นสติแบบโล่งๆแต่ถ้าสติสำมุ่นชงเห็นไหมเรายืนไล่ลังเมืทีร้องให้ฉันก็ไม่อายว่าเรื่องอะไรสั่วมันเต็มฉันก็เอาออกฉันจะไปกดไว้ทําไมมันรู้ตัวตลอดนะแต่มันรู้จากจิตเป็นสติของจิตแล้วมันก็วิจัยทําวิจัยโดยไม่ผ่านการนึกคิด นะมันวิจัยทําโดยมันไปเสพอารมณ์เห็นอารมณ์นั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรียกว่าธรรมะวิจัยสัโพชน ม, มันวิจัยธรรมตามธรรมชาตินะอยู่ในนี้หมดทีนี้เราก็เจริญไปด้วยอดีตนี่เรามีพจน์ชงแล้วคําว่าเต็มเปี่ยมก็ไม่ได้ถ้าเต็มเปี่ยมก็ไม่ได้มาเกิดอีกเรามาต่อ ย, ยอดพจน์ชงนะนะพจน์ชงทั้งเจอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่องทําวิชาวิชาช่อช้างสองตัว คือตัวปัญญาเนี่ยที่มันมีอะมันแสดงตัวนะเมื่อวิชามันแสดงตัวมีปัญญาแล้วมันก็จางคลายความยึดมั่นถือ ม, มั่นวิมุตติก็สมบูรณ์การบรรลุธรรมว่าสมบูรณ์โพชฌงค์เจ็นะถ้าใครเข้ามาในจิตได้แล้วแล้วอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือเจริญโพชฌงค์ไปเรื่อยๆส่วนมันจะจบเมื่อไหร่แล้วแต่บุญเก่าบวกกับบุญปัจจุบันที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือผลนี่คือการเจริญมรรคจิตไม่ใช่เป็นเจริญสติเจริญสมาธิ นะอันนี้สำคัญมากนะเพราะครูไม่มีเจตนาจะาอะไรที่ทำทาอยู่ไม่ได้ผิดคุณครูสอนอนุบาลนี่ก็มีประโยชน์คุณครูสอนปฐมก็มีประโยชน์แต่ถ้าไปติดอยู่ตรงนั้นแล้ไม่ก้าวไปข้างหน้านะมันก็ไม่ไปไหนนะมีพิกษุรูปนหนึ่งมาจากนครพนมมาที่ศูนยะ์ฟังย t ท b e พระครูเนี่ยรีบมาเลยไปลองทำดูเนี่ยมันไปกันใหญ่กลัวตายดูก็มาจากพูดโธพูดโธอย่างนะ ท่านมาไม่รู้อะไรมันจะดิงไม่เหมือนโตเขวเลยมันหมุนมาท่านก็มาจับพูดโธมันก็เลยนิ่งไะพูดโธําให้นิ่งนะแต่ไม่ทําให้เดินต่อไปท่านก็มาถามพักกูมาดักพักกูตั้งแต่เช้าเลยเี่ยลห้พักฟังพักว่าผ้าอาจารย์ถ้าผ้าอาจารย์ไม่จับพูดโธมาก็ไม่มีวันนี้แต่ถ้าวันนี้ผ้าอาจารย์ไม่วางพูดโธก็ไม่มีวันข้างหน้ามันเป็นอุบายวิธีเฉยแต่ถ้าเราไปหลงอุบายไปจับอยู่ตรงนั้นแหะมันก็ไม่ก้าวไปข้างหน้านะ ไม่ใช่มันไม่ดีถ้าเราไม่เรียนอนุบาลก็ไม่ได้ขึ้นปฐมแต่เรารู้ได้ยังไงว่าจิตเรามันเรียนชั้นไหนล่ะมันฝึกมาทั้งหลายชาติแล้วเนี่ยทำไมต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ไม่ต้องปลดป่อยจิตอุจจาระให้ไปคืนไปสู่อดีตเอาบารมีเก่าเรามาต่อยอดนี่คือมหาสติปัฏฐานบังเอิญว่ามันแสดงอะไรแปลกๆมันเต้นลัามาลายเนี่ยไม่มีใครเชื่อ เพราะว่าเราคุ้นเคยตั้งแต่เล็กลไ ป, ปไปไหนไปฏิบัติธรรมปื้บก็จับให้เราไปนั่งสมาธิเจริญสติไงก็เหมือนพระคิตเบตขั้นก็ทำตามไแล้วทำแล้สุดท้ายมันเป็นยนะังไงอะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจิตพราครูไม่ง่จะไปสร้างกรรมไม่มีเจตนาที่จะมีแต่ว่าบางครั้งเราเอ่ยถึงบุคคลบ้างเขาเรียกว่าบุคลาที่ฐานเพื่อให้เราเข้าใจง่ายไม่มีเจตนาลายนะเขาแสดงทำไม่ค่อาเห็นนะ ถ้าธรรมมาที่ฐานเนี่ยถ้าพูดแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวบางทีเราก็จับต้นชนไปลายไม่ถูกเพราะปัญญาเราไม่ถึงถ้าพ้องคุณพูดถึงองค์ุริมานทุกคนรู้เลยใช่ไหมหมายถึงใครหมายคนโจนองคุริมานไปฆ่าคนเอานิ้วมาแขวนคอไว้เห็นไหมถ้าพ้อพูดเทวทัตเรารู้เลยว่าเอออคนที่มันแกล้งผู้พิทเจ้าอ้าวกระดาษผู้เจ้ายังโดนแกล้งเลยเห็น ไ, ไหมผู้เจ้ายังหนีกรรมไม่พ้นนะแต่มันกระทบไม่กระเทือนพระองค์เคลียปัญหาตัวเองได้ แต่พระองค์เปลี่ยนจิตคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนจิตเทวทัตไม่ได้เทวทัตผูกใจเจ็บเนี่ยมันก็เล่นงานพระองค์แต่กระทบไม่กระเทือนจิตพระองค์ไม่โง่ที่จะไปทุกข์นะเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนตัวเองอ่าทำไมเต้องฝึกจิตให้มีเสียงดังบ้างวุ่นวายบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างอะไรบ้างก็ชีวิตเราไม่ได้อยู่เฉยๆเหมันต่อมาชีวิตเราไม่ใช่เงียบขนาดนั้นชีวิตต้องเจอประชดอะไรก็ไม่รู้ออกจากกรุงเทพไปไม่รู้เสียงรถเสียงลาเต็มไปหมด